ยุภาคที่สองตอนที่ยี่สิบเจ็ดฝ่ายราชการข้างเมืองขเขมรนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวมีพระราชองค์การดำรัสสั่งพระยาศีสิงหเทพให้มีท้องตราไปถึงเจ้าพระยาบรินเดชาใจความว่าพระยาอภัยภูเบศเขมรเจ้าเมืองพระตะบองนั้น ถึงแก่สัญญกรรมแล้วจะตั้งพระพิทักษ์บรินฑรและพระนรินโยธาผู้บุตรพระยาภัยภูเบศเป็นเจ้าเมืองพระทบองก็จะได้หรือจะต้องแต่งพระยาพระขมิญกรมการผู้ใหญ่ที่มีสติปัญญายกย่องขึ้นเป็นเจ้าเมืองพระตบองก็ได้เหมือนกันแต่ทรงเห็นว่านักองค์อิมและนักองลุ่งทั้งสองนี้เป็นเชื้อสายเจ้านายฝ่ายขมิญสืบมาแต่โบราณ ขวรจะยกย่องขึ้นเป็นผู้ว่าราชการเมืองขมิญจะได้เป็นที่นักถือยำเกรงของพวกไพร่บ้านพลเมืองขมิญต่อไปจะได้เป็นกำลังราชการศึกสงครามแก่กองทัพไทยที่จะทำแก่ยวนในภายหน้าด้วยเพราะฉะนั้นจึงทรงพระมหากรณาโปรดเกล้าให้นักองค์อิ่มผู้พี่ว่าราชการเมืองพัะตบองให้นักองค์ด้วงผู้น้อง ว่าราชการเมืองมงคลบุรีแล้วให้เจ้าพระยานครราชสีมาคิดกับพระยาราชนิกูลข่าหลวงช่วยกันกวาดต้อนนําครอบครัวเมืองเขมรและขาป่าดงไปไว้ตามบ้านเมืองที่ขึ้นแก่เมืองนครราชสีมาให้เต็มทุกบ้านทุกเมืองเป็นการใช้ทุนหนุนทุนที่พวกเมืองขึ้นไทยมาตายเสียในการทักสึกนั้นก็มากแล้วให้เจ้าพระยานครราชสีมา กลับไปรักษาบ้านเมืองตนเถิดแต่เจ้าพระยาบรินเดชากับพระยาราชเนกูนั้นขอให้เข้ามาแจ้งข้อรัชการณนะกรุงเทพมหานครแล้วโปรดเจ้าให้พระยาศรีพิพัฒน ร, รัตนราชโกษามีท้องตราให้หาเจ้าพระยาพระขังแม่ทัพเรือซึ่งตั้งรังทัพอยู่ณนะเมืองจันทบุรีเข้ามาปรึกษาราชการณนะกรุงเทพมหานคร ฝ่ายเจ้าพระยาพระครังได้เข้ามาถึงกรุงเทพพระมหานครณนะเดือนหกข้างแรมในปีมะเมียฉศกฝ่ายราชการเมืองลาวทางตะวันออกนั้นเจ้าพระยาธรรมมาแม่ทัพใหญ่ได้แต่งขุนนางไทยสามคนคือพระยกกบัดเมืองสุขโขทัยหนึ่งหลวงพิชัยเสนาหนึ่งจะมืนจงรักษาองค์หนึ่งกับหลวงพระยาสายเมืองหลวงพระบางหนึ่งวกุมารหลวงพระบางหนึ่ง ท้าวเพียแสนพิงชัยเมืองแพร่หนึ่งรวมเป็นข้าหลวงหกนายที่มีสติปัญญาฉเฉลียวฉลาดขึ้นไปเรียกร้อมพวกลาวเมืองหัวพันทั้งหกพวกลาวเมืองหัวพันทั้งหกก็รับว่าจะแต่งแสนเท้าพระยาลาวมาแจ้งข้อความว่าจะยอมสวามิภักดิ์ขึ้นต่อกรุงเทพแล้วเจ้าพระยาทำมาตั้งคอยลาวเมืองหัวพันทั้งหกอยู่ที่เมืองนครหลวงพระบางจนเข้าฤดูฝน จึงป่วยไข้เป็นไข้พิษกลายเป็นไข้รากษา ต, ต่อไปจึงได้เลิอกกองทัพกลับลงมากรุงเทพครันเจ้าพระยาธรรมาหายป่วยแล้วจึงเข้าเฝ้ากราบบังคมทูลพระกรุณาว่ากองทัพไทยได้ยกขึ้นไปตีเมืองสุยเมืองกองเมืองกลางเมืองย่างเงินได้เมืองลาวในเขตแดนยวนหลายเมืองแล้วและทัพพระราชวรินก็ได้เมืองพวนด้วย และนายทัพนายกองไทยกับกองทัพเมืองนครหลวงพระบางได้ยกขึ้นไปตีเมืองหัวพันทั้งหกและสืบได้ความว่าเจ้าบ้านผ่านเมืองและเท้าเพีย่ไพรพลเมืองหัวพันทั้งหกอบพยพครอบครัวหนีไปจากบ้านเมืองหมดเจ้าราชบุตรหลวงพระบางยังแต่งให้เพียรสีอัคคหาตเมืองปากเขืองหนึ่งเท้ามงคลหลวงพระบางหนึ่งทั้งสองคนนี้ เคยเป็นล่ามเหลา่าชาวเมืองหัวพันทั้งหกมาก่อนให้คนทั้งสองขึ้นไปสืบราชการพวกเรลาหัวพันทั้งหกจะได้หนีไปถึงไหนบ้างเพียสีอัคคาหาัตกับเท้ามงคลมีหนังสือแจ้งข้อรัชการมาถึงพระยาพิชัยและพระยาสุโขทัยกับเจ้านครหลวงพระบางใจความว่าเพียสีอัคคาหาัตกับเท้ามงคลได้ขึ้นไปถึงเมืองเฮียม ได้พักไพรพลเหลาหลวงพระบางสองร้อยห้าสิบคนอยู่ที่ด่านเมืองเหี่ยมขณะนั้นหลาวเจ้าเมืองเหียมและเหลาเจ้าเมืองหัวเมืองําเหนือเมืองําใต้เมืองส่วนเมืองโซยเมืองเชียงคลุงเมืองเชียงคอเจ้าเมืองเหลาทั้งแปดหัวเมืองนั้นได้แต่งเพรษเท้าพญาเหลาทุกเมืองทั้งแปดเมืองให้มาเจรจากับเพียสีอัคหาตและเท้ามึงคลเป็นใจความว่า เจ้าบ้านผ่านเมืองและแสนเท้าพระยาราวเท้าเพียในเมืองหัวพันทั้งหกคิดพร้อมใจกันจะกลับใจคืนมาสวามิภักด์เป็นข้าขอบขันธสีมากรุงเทพมหานครต่อไปอย่างครั้งเจ้าอนุเวียงจันเหมือนแต่ก่อนเจ้าเมืองหัวพันทั้งหกจะแต่งให้แสนเท้าพระยาราวเท้าเพียลงมาเจรจาความเมืองเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจา้าจึงสั่งพระยาพระ หลวงนายทัพนายกองให้งดกองทัพไว้หาได้ยกขึ้นไปตีเมืองหัวพันทั้งหกไม่แล้วข้าพระพุทธเจ้าได้แต่งขุนนางไทยลาวที่มีสติปัญญาได้ราชการให้ขึ้นไปเจราจาเกลี้ยกล่อมเมืองหัวพันทั้งหกก็รับว่าจะยอมมาสวามิภักดิ์ต่อกรุงเทพการยังไม่ตกลงเป็นแน่พอเข้าฤดูฝนข้าพระพุทธเจ้าก็ป่วยหนัก จึงได้เลิอกกองทัพกลับลงมากรุงเทพพร้อมกันทุกทัพทุกกองพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบความตามพระยาธรรมมากราบบังคมทูลดังนั้นแล้วจึงมีพระราชดำรัสว่าเจ้าพระยาธรรมมาจะถูกหลอกถูกลวงพวกเมืองหัวพันทั้งหกเสียดอกกระมังถ้าเป็นจริงดังนั้นแล้วก็จะเสียพระเกียรติยศแผ่นดินกรุงเทพไปเป็นอันมาก จึงโปรดเกล้าให้เจ้าพระยาธรรมมาเป็นแม่ทัพกลับขึ้นไปใหม่ฝ่ายเจ้าพระยาธรรมมาได้กราบถวายบังคมลายกทัพออกจากกรุงเทพเมื่อณนะเดือนอ้ายปีมะเมียฉศกถือท้องตราพระราชสีย์ขึ้นไปเกณฑ์ปองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือซึ่งเคยไปราชการด้วยกันแต่ครั้งนี้กองทัพหัวเมืองฝ่ายเหนือได้ประชุมไพรพลรอราชการอยู่ที่เมืองพิชัยบ้างอยู่ที่บ้านป่ากลายบ้าง อยู่ที่เมืองหลวงพระบางบ้างฝ่ายที่กรุงเทพนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าเลื่อนยศพระมหาเทพชื่อป้อมเป็นพระยามหาอามาตย์โปรดเกล้าให้พระราชวรินทร์ชื่อข๋มเป็นพระเรนทรเทพโปรดเกล้าให้พระกําจีนใจราชแต่เดิมเป็นที่มืนหารลูกกองพระยาอักษรืองเดช มีความชอบที่ต่อสู้กับข้าศึกยวนมีชัยชนะแล้วเจ้าพระยาบดินเดชามีใบบอกเข้ามากราบบังคมทูลพระกรุณาขอตั้งให้เป็นพระกำจรใจราษในระหว่างศึกนั้นแล้วบัดนี้โปรดเจ้าให้พระกำจรใจราษเลื่อนที่ขึ้นเป็นพระยามหานุภาพจางวางกรมพระตำรวจหลังในพระราชวังหลวงราชการที่กรุงเทพนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชนาริการรักษาพระนครไม่เป็นที่ไว้วางพระราชหลไทยทรงพระวิตกว่ายวนจะยกกองทัพเรือเข้ามาตีหัวเมืองชายทะเลพระราชาในาขีเป็นการที่ยวนจะยกเข้ามาทําศึกสอบแผนบ้างจึงโปรดกล่าวให้เจ้าพระยาพระทังเป็นแม่กองต่อเรือรบไว้สําหรับรักษาพระนครแล้วให้ขอแรงพวกข้าราชการที่ไม่ได้ไปทัพ กับพวกเจสัวเจ้าภาษีนายอากรให้ช่วยต่อเรือรบเป็นรูปเรือสีสาป้อมอย่างยวนขึ้นแปดสิบลำพระราชทานเงินหลวงช่วยในการต่อเรือรบลำละยี่สิบช่งเรือแปดสิบลำเป็นเงินหลวงพันหกร้อยช่งผู้ที่ถูกทําเรือรบนั้นก็ออกเงินของจนช่วยเพิ่มเติมบ้างทุกๆุกลำลำละสิบช่งลงมาเสมอห้าช่งขึ้นไปตามแต่จะฉลองพระเดชพระคุณ คั้นเรือรบสีสาป้อมแปดสิบลำเสร็จแล้วจึงโปรดกล้าให้ขุดอู่ทำโรงที่คลองสาระหงบางกะปิไว้เรือรบสี่สิบลำสำหรับรักษาพระนครจ่ายไปรักษาหัวเมืองชายทะเลสี่สิบลำเป็นเรือราชเวณท้องทะเลครั้นการเรือรบแล้วเสร็จถึงนเดือนอ้ายปีมะมีนชะตกจึงโปรดกล้าให้เจ้าพระยาพระคลังเป็นแม่กอง ไปสร้างเมืองจันทบุรีให้มั่นคงไว้รับยวนเจ้าพระยาพระทังสั่งให้รื้อกำแพงเมืองเก่าเสียสิน้นเพราะด้วยเมืองเก่าตั้งอยู่ลึกเข้าไปข้างในลําแม่น้ําไม่เป็นที่รับรองค่าศึกได้มั่นคงจึงให้สร้างเมืองใหม่เลื่อนออกมาใกล้ปากอ่าวก่อกำแพงเมืองใหม่ลงที่เนินวงให้ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่ที่เมืองเก่าบ้างที่หลังเมืองใหม่บ้างทําเมืองใหม่ในที่นี้เป็นที่ป้องกันครอบครัวพลเมืองได้มาก แล้วเจ้าพระยาพระคลังสร้างวัดขึ้นสำหรับเมืองใหม่วัดหนึ่งตั้งนามชื่อวัดโยธานิพิทแล้วสั่งให้จะเหมือนราชมาตชื่อขำซึ่งเป็นบุตรชายของเจ้าพระยาพระคลังนั้นเป็นแม่กองทำป้อมใหญ่ก่อด้วยศิลาเป็นป้อมปีการูปป้อมอย่างโยุโรปทาลงที่หัวแหลมด้านปากน้ำเมืองจันทบุรีป้อมหนึ่งพระราชทานชื่อ ป้อมพิยริชาะแล้วลงมือก่อป้อมใหญ่ด้วยศิลาที่ไหลเขาแหลมสิงอีกป้อมหนึ่งเป็นการเพิ่มเติมป้อมเก่าโบราณที่แหลมสิงให้เป็นของใหม่ให้มั่นคงแข็งแรงแล้วพระราชทานชื่อป้อมพิฆาตปัจจามิตรรวมเป็นสองป้อมไว้สำหรับรักษาเขตแดนกรุงเทพครั้งนั้นโปรดกล่าวให้เจ้าหมื่นไวยวรนาศ หัวหมื่นมหาดเล็กชื่อช่วงซึ่งเป็นบุตรผู้ใหญ่ของเจ้าพระยาพระทางนั้นให้เป็นแม่กองไปตอกกำปันใบลำหนึ่งปากกว้างสิบศอกที่จันทบุรีลองทำเป็นตัวอย่างดูก่อนลำหนึ่งแล้วเสร็จเจ้าหมื่นไวยวรนาถนำเรือกำปันลำนั้นเข้ามาถวายตัวจึงพระราชทานชื่อกำปันนั้นว่าแก้วกลางสมุทร ทรงพระกรุณาว่าถ้าต่อขึ้นหลายลำบรรทุกทหารไปรบกับยวนเห็นจะดีจึงโปรดกล้าให้เจ้าหมื่นไวยวรนาศกลับไปเมืองจันทบุรีให้ต่อกำปันใบอีกลำหนึ่งปากกว้างสีว่วาเมื่อแล้วมีบอกเข้ามากราบบังคมทูลพระกรุณาจึงพระราชทานานามกำปันว่าชื่อกบินบัวแก้วแล้วโปรดกลา้าให้ตอกำปันใบใชราชการอีกลำหนึ่ง ครั้งนั้นทรงพระราชดำมฤิว่าเหมืองสะเติงเต่านั้นเป็นปากน้ำทางลําแม่น้ำฝ่ายข้างตะวันออกเป็นช่องทางที่ค้าสุดยวนจะนําเรือรบเข้ามาทางปากน้ำบางปะกงได้แห่งหนึ่งจึงโปรดกล่าวให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงรักโลนเลศเป็นแม่กองไปสร้างป้อมปีกาใหญ่และมีกำแพงด้วย ทำลงที่เมืองสะเชิญเสาตําบลหนึ่งกะไว้จะให้ชื่อว่าป้อมพิฆาตไพรีครั้งนั้นโปรดกล่าวให้พระเจ้าน้องยาเธอกมขุนเดชอดีสอนหนึ่งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นเสพสุนทรหนึ่งกรมหมื่นนรงหา ร, รักหนึ่งทั้งสามพระองค์เป็นแม่กองไปทําการซ่อมแซมป้อมกําแพงที่เมืองสมุทรปราการซึ่งทํายังค้างครั้งศึกเวียงจันนั้น ครั้งนี้โปรดกล้าวให้ทำกําแพงเชิงเทินขึ้นโอบหลังมาปลายป้อมปีกาเก่าให้ขุดคูล้อมกําแพงเมืองสมุทรปราการด้านหลังเป็นคูล้อมรอบเมืองกันข้าศึกให้สร้างป้อมขึ้นที่ปากคลองบางปรากฏอีกป้อมหนึ่งพระราชาานชื่อว่าป้อมคงกะพันเป็นป้อมรัดรองข้าศึกที่จะยกเข้ามาทางปากน้าสงขลาชายทะเล อาณาสยามยุทธภาคที่สองตอนที่ยี่สิบเจ็ดจบภาคที่สองโปรดติดตามตอนต่อไป